เรามีจดหมายเหลืออยู่มาตอบจดหมายมีไหมจดหมายที่เหลืออยู่เมื่อวานมาตอบจดหมายตอบปัญหา ของการนะครับมีคำถามที่มหาหลายครงอยู่นะครับทันที่หนึ่งของการกระเปลียนถท่านพระอาจาร์อยากให้ท่านพระอาจาร์ช่วยอธิบายเรื่อง จิตเข้าถึงกระแสธรรมจิตเข้าถึงกระแสธรรมเราก็พยายามอธิบายแนะนำทำเท่าที่เราพูดเนี่ยก็เหมือนอย่างอานิจยังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยมันเข้าไปเห็นยากเหลือเกินแต่ถ้ามันแวบหนึ่งเข้าไปได้มันก็เข้าถึงกระแสธรรมได้เหมือนอย่างพระอัญญาโกณทัญญาท่านเข้าถึงกระแสธรรมด้วย บทว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่เห็นไหมมันไปเข้าไขา่หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยถ้าเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยด้วยความรู้ของเราเองท่าเรียกว่าด้วยญาณทัศนทั้งรู้ทั้งเห็นจ้าอยู่ในหัวใจดวงนั้น ยกตัวอย่างเอาพระ ญ, ญาโกฏัญญะนี่เยนะยกตัวอย่างที่อื่นเราไม่มีตัวอย่างให้ดูเราดูเลยยากย่า ง, ยางกินจิตสมุทิยะธรรมังสับวันตังนิโรธาธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นไหมมันปล ong ปล่อยไปหมดนะไม่มีอะไรยึดไว้เกาะไว้มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา เรียกว่าธรรมยักสุหรือดวงตาเห็นธรรมหรือเข้าถึงกระแสรธรรมโสตโสตแปลว่ากระแสโสดาบันโสตาโส ต, ตาปณะปณะแปลว่าการเข้าถึงโสตาปณะโสตาโสดาบันแปลว่าเข้าถึงจิตมันเข้าถึงมันเข้าถึงยังไงก็เหมือนกับ เหมือนกับเราอยู่ในห้องเราเนี่ยอากาศในห้องก็อย่างหนึ่งอากาศนอกห้องก็อย่างหนึ่งเพราะเราเกิดเราเปิดหน้าต่างปั๊บอากาศข้างนอกมันเข้าไปประสานกับข้างใน ท, ทันทีนั่นนะเข้าเข้าไปถึงมันลักษณะอย่างนั้นหรือเหมือนกับห้วยเล็กห้วยใหญ่มันไหลเข้าไปรวมกันเนี่ยนะมันเริ่มเข้าไปถึง ไหลาจากห้วยเล็กๆเข้าไปสู่ห้วยใหญ่ห้วยใหญ่ก็ไหลเอื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปถึงกระแสรกระแสของธรรมะมันเกิดความรู้สึกอยู่ในใจใเราตอบได้ด้วยอุ ป, ปมาสองอย่างนี่แหละนี่เราพูดถึงศรัทธาก็ศรัทธาเต็มร้อย ทำไมจึงว่าศรัทธาเต็มร้อยที่เราเรียกว่าอจรละา่าศรัทธาเพราะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเองญ า, าณญาณนาทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นเข้าไปรู้ไปเห็นเองเหมือนของบางอย่างที่เราไปเห็นเองเนี่ยใครจะมาพูดบิดเบือนไปยังไงว่าเอ้ยอันนั้นเป็นสีดำไม่ใช่อันนี้เป็นสีแดงเทียงกันอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าไปรู้ไปเห็นเองเราไม่ต้องพูดเลย เราจำฝังใจปักใจเราเองแล้วนี่เขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจตรงนี้ใครมาเบนเบี่ยงให้เราไปเชื่ออย่างอื่นไปไม่ได้แล้วมีสถาปะกนึบลงไปเพราะอะไรเพราะเข้าไปเห็นความจริงชัดเจน ด, ด้วยตัวงตัวเราเองไอ้เรามาเทียบเทียบดูเหมือนอย่างที่เราเข้าไปเห็นบางสิ่งบางอย่างด้วยตวงตัวเราเองใครจะมาโกหกได้ ถึงแม้คนนั้นจะมาพูดอย่างนั้นคนนั้นจะมาพูดอย่างนี้บางทีเราก็บอกตามความเป็นจริงไปบางทีเราก็ใช้ไปแต่ความจริงอยู่ที่ใจของเรามันปรากฏอยู่ที่ใจของเราอืมอะต่อไปการทำมาสการครับการนั่งสมาธิบางครั้ง หลังจากที่เวท น, นาผ่านไปจะเกิดอาการนิ่งๆเฉยๆว่างๆเรานอนไจาราิรัยไรกันเราอย่าลืมว่าสภาวะธรรมที่มันปรากฏปรากฏกับเราปรากฏแล้วก็ผ่านไปปรากฏแล้วก็ผ่านไปมันไม่เหมือนคำพูดที่เรามาพูดนะคำพูดที่เรามาพูดมันคล้ายๆกัว่า ของเหล่านั้นมันตายตัวอยู่แล้วแต่อารมณ์ที่มันผ่านไปสดๆร้อนๆอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ตายตัวมันขยับไปแล้วขยับมามันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนมามันขยับไปนู่นขยับไปนู้นขยับไปนู้นภาวะอะไรบ้างที่มันอยู่คงที่มันไม่มีว่างๆเราก็ว่าได้นะว่างๆเพราะเราฟังดูแล้วเหมือนกับว่างอยู่อย่างงั้นแหละมันรู้มันว่างพอสึก สมมติยังมีสักสิบขีดเนี่ยมันว่างพอสักหนึ่งขีดเ <c oughs> ต็มแล้ว่าก็ไม่รู <c> ้ <oughs> ดูไปให้มันชัดๆ <c oughs> เราก็ดูนั้นแหละภาวะอะไรเกิดขึ้นกึ้จับมันเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่ น, น, นจับมันเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นจับเปลี่ยนไปเป็นรูปอื่นีจับจับโยนเงี้ยมันจะไปว่างได้ยังไงอืม มันว่างมันยังมีความรู้อยู่เฉพาะตัวของมันก็อยู่กับเฉพาะตัวของมันน่ะอยู่กับเฉพาะตัวนั้นน่ะมันว่างเราผู้ได้ชัดเจนเราผู้ได้ชัดเจนว่ามันว่างจากราคะจากโทสะเนี่ยราคะมันหายเงียบไปโทสะมันหายเงียบไปอันนั้นเรามองชัดเจนไปว่าเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีพลังราคะเวลามันเกิดขึ้นมามันมีพลัง โทสะเวลามันเกิดขึ้นมามันมีพลังพอเวลามันหมดแรงมันหยุดมันสงบมันนิ่งเราถือว่าจิตเราว่างจากราคะโทสะแต่ว่างเพราะมันไม่แสดงกิริยาสำหรับผู้มีมันไม่แสดงกิริยาตอนนั้นเราดูเทียบเคียงตอนนั้นเราก็พอจะดูได้รู้ได้เอาแค่นี้กรารนมัสการครับเพราะจิตกลั พิจารณาเวทนาเห็นเวทนาทั้งอยู่ก็จอดูจนจะผลไม่ไหวจิตก็พิจารณาว่าจิตไปยึดอุปทานตัณหาเลยเกิดก็ย้อนกลับมาดูพุโทโธและปล่อยเวทนาให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดไม่เดือรอนอะไรย้อนดูไปมาอย่างนี้จนเห็นตัวเองเหมือนก้อนธานที่มีลมอัดแน่นๆ แ, และจิตก็สูบอยู่ในก้อนธา น, นี้พิจารณา เวทนาไปจนเวทนามันเบาลงและแผ่วไปก้อนธาตุก็หายไปจิตก็คิดว่าพ่ออีเด็นอนิจจ์พกดคำอนุตตาของจิตลูกทำถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องลูก ร, รู้สึกว่ามันเกิดจากสัญญาที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็มันยังมีอยู่มันก็มีอยูอ่ความเห็นแบบนั้นก็ถูกต้องอยู่แต่ สัญญามก็มีอยู่สัญญามก็มีอยู่อ <c oughs> สัญญามก็มีอยู่ในนั้นแหละคำถามต่อไปครับขณะเดินจนมโกลงก้มมองตอ่เมื่อเดินเมื่อเดินนานๆ มันจะมีอาการเงินสีสากตาลายเดินเซแต่เมืเ่อเคยหน้ามองสูงขึ้นอาการดีขึ้นจะถือว่าเป็นการออกวอกแวกระพื้นผิวหรือไม่ปวดจัดการแก้ยังไรร่างกายมันไม่ปกติเรารู้ว่ามันไม่ปกติก็ดีแล้วอยู่กับตัวถ้าเราไม่อยู่กับตัวเราก็ไม่รู้ แต่เราอย่าไปห่วงอย่าไปคิดว่าเราเปรียบเป็ียบเราปวดดูให้เห็นเฉพาะอาการนั่นะมันไม่มีเราทุกอย่างทุกเรื่องอย่าให้เรามีเราเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดเพราะตัวนี้เลยเป็นตัวตันหาถ้าไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องใดอยู่กับตอนใดขณะใ ด, ดเวลาใดก็ตามนั่นแหะคือผลปรากฏมีผลปรากฏแต่ตระบใดที่เรา รอยให้ตันหามันสวมร้อยเข้าไปเกิดเราเกิดอัดตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามันก็เป็นไปแล้วความยึดความถือมก็มาด้วยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยตันหามันไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดอุปาทานมันไม่เกิดกำมือนอย่างเมื่อกี้นั่นแหละอุปาทานไม่เกิดแต่ว่ามันอาจจะบางไปมันอาจจะเบาไปแต่จะถือว่าหยุดเลยทีเดียวก็ไม่ใช่อ่ามันยังมีสัญญา ความคิดความหมายความจําอยู่แต่ก็ชังเถอะมาอยู่ในขั้นนี้มันก็ต้องเป็นนั่นแหละเราพยายามดูให้ละเอียดเกินนี้เข้าไปอีกดูให้ละเอียดเข้าไปอีกดูอยู่นั่นแหละก็เหมือนอย่างที่ว่าถ้าเราจะคิดว่าว่างว่างพราะมพูดตามคําพูดเลยก็เหมือนว่ามันว่างมันโล่งไปหมดแต่กิริยาความเป็นจริงของสภาวะธรรมแล้วมันไม่ใช่มาแล้วมาอยู่ว่างอยู่เฉยๆเหมือนที่ว่างๆโล่งๆมันไม่ใช่ วิธีวิธีที่ทําอ่ะผู้รู้ยังมีอยู่เอาผู้รู้เไยตามเกาะมันขยับอย่างนี้ไปอยู่นู่นเกาะเราสําคัญว่ามันมันว่างเราก็จับไอตัวสําคัญตรงนั้นะจับจนมันขยั บ, บ, บไม่ได้มันถึงจะอยู่ทิ้งนึ่งไล่จับไล่จับอยู่นั่นกิจยาข้างในเราไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงเราใช้คําพูดก็ว่าไล่จับไล่เกาะมันขยับปับ๊บมันไม่คงที่มันเปลี่ยนปับ๊บจับ เียงปักะเดี่ยงปับกเบกาะรู้ตามที่มันขยับทุกระยตนี่แหละมันมันมันก็ไม่อดงานจนกว่ามันจะไปอย่สงบนิ่งเบกขาโเบกขากิริยาของความสุขก็ไม่ปรากฏกิริยามันไม่ปรากฏวางเฉยนิ่งแต่มีความสว่างอยู่ในตัว มีความรูอยู่ในตัวมีความสว่างอยู่ในตัวมีความพร้อมอยู่ในตัวก็ปล่อยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปเอกใจของมันเลยท่ออาน <c oughs> อ, อ า, าจาร <c oughs> เคยมีอาการปวดท้องเกรงอย่างรุนแรงแล้วท้องอีก e p ิโ o ททำให้บรรเทาอาการปวดลงได้นี่ถือว่าเป็นการทสมาธิหรือไม่ครับ วิธีนี้เป็นวิธีเดียวหลักการทิฏฐรณาที่รู้สึกปวดขาตอนนั้นสมาธิคือไม่ครับใช่เหมือนกับเราดูเวทนานเมื่อก่อนที่เราไม่ดูมันเหมือนกับมันเป็นก้อนเป็นแท่งเดียวกันเพราะเรากำหนดจดจอทำความรู้แล้วก็จอลงไปมันเหมือนกับมันเป็นคนละอ่านเหมือนกับเป็นคนละอ่านเหมือนกับมันหายแต่มันก็อยู่เท่าเดิมเลย มันจะมากมันจะน้อยมันก็เท่าเดิมของมันมันก็จะขยับอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่หากความรู้สึกของเรามันเหมือนกับมันบอกเราว่ามันบางเบามันหายมันหยุดเรากําหนดพอเรากําหนดปั๊บมันเกิดการเกิดการรู้สึกก็เหมือนกับมันแยกในตัวเมื่อนกับเมื่อเรารู้สึกว่าเราปวดหัวเนี่ยปวดปวดปวดถ้าปล่อยให้สัญญาเรามันมาเกอนมันเหมือนกับโอ้ทรมาน แต่พอเราตั้งเจตนากำหนดจ่อไปที่ตัวไอตัวปวดปวดหัวเนี่ยเราพูดง่ายเราะเคยเป็นเคยเป็นจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปเอ้ามันก็เบาลงเบาลงเบาลงเบาลงเพราะอาการที่มันเคยยึดเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันะมันเหมือนกับมันถูกแยกไปการที่เราไปกเกาะเหนียวแน่นมัน่นคงเราไปยึดเหนียวแน่นมันม่นคงมก็ปล่อยไปปล่อยไป เกิดความรู้สึกก็เหมือนกับไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราปวดแต่ตัวนั้นมันจะปวดเท่าไรก็ช่างมันแหละด้วยเหตุที่เราปล่อยออกมาได้อย่างนี้มันเหมือนกับว่าอุปทานมันมันปล่อยมันเริ่มปล่อยมันเริ่มปล่อยแทนที่จะมันจะเหนียวแนมันจะมันขมก็จะจางลงจากลงบางทีหายหายปิดทิ้งเป็นปิดทิ้งไปเลยเป็นอย่างนั้นจริงหลายคนเคยเป็นแม้แต่เจ้าของก็เคยเคยเป็น จาะไปที่ความเกี่ยวความปวดแค่นี้ขั้นนี้ระดับนี้ไม่ใช่สมัยที่เราภาวนาด้วยซ้ําไปตั้งแต่สมัยเราเนิ่นเราไม่ได้ภาวนาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจาะเข้าไปอ้าวมันห ไ, ได้ไหมอ๋อมันมีความจริงของมันอย่างนี้อ้าวคือเยอะแท้ยังไงก็คือผมอ่ะมาแล้วที่อัน ไปสีป า, าเอาเอ้ว อ, อาหมดเยอะนะครับภาวนาพทโทโุทโดยไม่การลมหายใจแต่พุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาเห็นลมหายใจร่างกายหายใจเคลื่อนไหวแยกจากพุทโธเหมือนพุทโธแยกจากลมหายใจและร่างกายแบบที่ถึต้องทครับก็ได้ว่าแต่มันทันว่าแต่มันอยู่กับเนื้อกับตัว น, น มันไม่ส่งไปนู้นไม่ส่งไปนี่ก็ใช้ได้พุโทโธเหมือนลงตาท่านพุโทโธทียิบกันแหละพุโทโธทียบก็ใช้เกตจำนองอย่างต่อเนื่องพื้นไม่ใมันขาดช่วงสติก็ตามจ้อยค่อยดูขยับมันขยับมันเคลื่อนที่จริงที่เราพูดมาเนี่กิริยาการอันเดียวกันทั้งหมดทั้งประเภทเราพิจารณาด้วยสติ ทังประเภทที่เราพิจารณาเกี่ยวเรื่องความว่างอะไรต่ออะไรที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะมันเป็นกิริยาเดียวกันทั้งหมดแต่แล้วแล้วแต่เราจะไปแยกแยะพูดเพราะภาวะที่เข้าไปรู้เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือภาวะตัวเดียวเนี่ยด้วยจิตตัวเดียวเนี่ยบางทีมันมันมันมาปรากฏทั้งสองด้วยเหตุที่เราเคยกำกับกับพุโทโธลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบางที แต่ภาวะที่มันจะมาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราย้อนมาอยู่กับคําำําริอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ย้อนไปดูลมหายใจด้วยเนี่ยมันก็สามารถพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทียิบอย่างเดียวก็ได้แต่มันยังไม่ได้วางเนี่ยอันนี้คือมันไม่วางมันไม่วางพุทโธบางทีมันวางพุทโธแต่มันเห็นอาการของของลมอย่างเดียวนี่ก็ถือว่ามันวางพุทโธ อันนี้เราไม่วางพุโทโธแต่ด้วยเหตุที่เรากําหนดที่ยิบมันก็เลยความรู้สึกที่ที่หลมมันเบาไปแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องกันมันยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละอมันไม่จ่ออยู่กับคําว่าพุโทโธที่ยิบก็ถูกขยับไปก็ได้ขยับมาขยับไปก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นเราจะยักย้ายผันแประจะทบท ทวนทบสอบยังไงกันแล้วแต่มันอยู่ในสิทธิของเราที่เราจะจะฝึกจะซ้อมจะจัดจะทํานี่เขาเรียกว่าทั้งทดลองทั้งฝึกทั้งซ้อมทั้งทดสอบ ท, ท, ทั้งทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นเนี่วิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ท่านเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะสอดส่องธรรมเป็นธรรมมันเป็นธรรมธรรมวิจยะสอดส่องธรรม มันเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งในการที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นหลักของสัจธรรมเป็นหลักเป็นหลักหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในโพชน์ฉงแท้แต่จริงเวลาทํางานก็มีด้วยกันทั้งหมดแล้วแต่เราจะแยกแย ก, แยกมาพูดเพราะภาวะอันนี้เราพูดถึงความสงบนะเราพูดถึงความรู้เกิดความเข้าใจเวลามันรู้มันเข้าใจไปแล้วจะว่ากายก็ใช่ เจะว่าเวทนาก็ะชัยจะว่าสัญญาจะว่าสังขารจะาว่าวิญญาณจ้าว่าอะไรมันเกิดชัดเจนเหมือนกันทั้งหมดเพราะเวลาทางานมันทำงานสัมปะสานกันเป็นอันเดียวกันอ้าวอีกหมดเวลาพอดีเลยอีกสมปัญหาครับข้าการทำเวลานั้นภาวนาเกิดอาการเจ็บปวดมากก็ต่อสู้กับมันจนไม่รู้สึกปวด เปลี่ยนมันเป็นอาการชาแล้วก็หายไปแต่สัมภักใหญ่ๆตามใบหน้าไปหูเหมือนมีมแมลงและมนะตันไตพอมอลูกก็ไม่มีตัวอะไรแต่มันมีอาการขยิบๆสัมภักใหญ่ก็หายไปเคยเคยเห็นการอย่างนี้เวลาสนท์ที่บ้านมันคืออะไรหรือว่ามป็นผ่าเ อ, เองคนระับ <c oughs> อย่าไปหาสงสัยเถอะยุ่มยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยสงสัยก็ดูให้ชัดเจนก็แล้วกันบางทีมันความขยับขยื่อนของเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นโลหิตบางทีก็ใหญ่เหมือนหงมอพันธบางทีก็มดมาตายมาตอมบางทีมีฝุ่นละอองพัดมาตกมาร่วงใส่ดูให้ชัดเจนเถอะ เราดูไม่ชัดเจนเราไปหมายว่าเป็นนู้นหมายว่าเป็นนี้หมายว่าดิบดีวิเศษวิสโสเหมือนกันนั่งไปแล้วก็เกิดชาหนิบชามือนเหมือน ต, ตึงตึงนี่เหมือนกัเจ้าของนี่ไม่ได้สัมผัสพื้นโอ้ยเราหอโอ้ยเราหอเราลอยเราลอยที่สำคัญที่สุดดูให้ดดชัดเจนดูให้มันชัดเจนจะไปสูงอยือไปเดาต่อไปอีกคำถามสุดท้ายคำพูดบนกระดาป่า รุนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตสังคมเมืองเช่นเดิมอยากจะกล่าวอีกครัท่านพระอาจารว่ามีหลักอะไรในการดำเนินชีวิตในสังคมเมืองที่ผู้คนทำอะไรคิดถึงคนรอบข้างน้อยลงเอาผลประโยชน์ตัวเองและมมพมวอกเปนที่ต้้งผู้คนขาดเหตุผลกำกังมากขึ้นเราจะใช้หลักอะไรในการดาเนินชีวิตดีครับหลักศีลหลักธรรมเนี่ยหลักซื่อตรง ละตรงไปตรงมาเรารู้แล้วว่าอะไรคือเหตุเหตุให้เกิดทุกข์การผิดศีลผิดธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็พยายามละเรารู้อยู่แต่คนอื่นเรารู้ไม่ได้ว่าเขารู้หรือไม่รู้เรารู้อยู่แก่ใจว่าเขานีรู้หรือไม่รู้แต่ถ้าหากเรารู้หนึ่งเราก็ต้องละต้องงดต้องเว้นเรารู้แล้วว่านี่คือไฟอันนี้คือไฟล้วก็ละเราก็เว้นอย่าไปหาฝืน ฝืนนี่มันได้โทษหลายเท่านะถ้าเราฝืนโอ้นี่ไฟไฟไฟเอามือไปจี้ปั๊บโอถอนไม่ทันเนี่ยไหม <c oughs> ตั้งใจดําเนินชีวิตด้วยศีลด้วยธรรมสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวเป็นองค์ศินสัมมาวาจาเจรจาคําพูดให้เป็นปิยาวาจาให้เป็นวาจาเพื่อตะล่อมเข้ามา อาศัยมีเมตตาเป็นฐานข้างในด้วยเจรจาคําพูดสัมมาวิชาให้เป็นปิยะวาจาเป็นวาจาที่น่ารักปิยแปลว่าความรักปิยวาจาเป็นวาจาที่อ่อนหวานเป็นวาจาที่นิ่มนวลเป็นวาจาที่ไม่กระทุงกระแทกเป็นวาจาที่ประกอบ ด้วยความซื่อประกอบไปด้วยความตรงประกอบไปด้วยสัจสัดตรงไปตรงมานี่เป็นปิยะวาจาเราลองใช้ดูสิเราจะไม่ได้ทุกข์กับวาจาคําพูดของเราบางคนชอบพูดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยพูดบางอย่างก็ทําให้ไฟตรงข้ามเข้าใจผิดแล้วอ้าวทุกข์อีกแล้วออ้ยเราพูดดีดทําไมเขาไปเข้าใจไปอย่าง น, นั้นแน่มันไปอย่างงั้นนะ ก็เลยว่าคนอื่นเราระมัดระวังยากมากเราระมัดระวังได้เราเฉพาะเราเราระมัดระวังได้เต็มร้อยคนอื่นเราระมัดระวังไม่ได้ดอกเราต้องระมัดระวังสัมมาครรมตะการงานชอบการงานชอบคือการงานสะอาดการงานไม่เบียดเบียนการงานชอบการงานไม่เบียดเบียนการงานเป็นศีลเป็นธรรมการงานตรงไปตรงมา ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตมันจะไม่มีโทษตามมาเล่นงานเราที่เป็นหลักก็คือหลักของศีนนั่นแหละอย่าทิ้งศีนเนี่ยเราพูดถึงทีไรเมื่อไหร่เรื่องของศีนแต่เวลาเรามีความทุกข์ติดตัวทีไรเมื่อไหร่เราย้อนไปเรามักจะเจอโอ้ยเราผิดศีนข้อ น, นั้นเราผิดศีนข้อ น, นั้นผิดศีนข้อ น, นั้นมันต้องมีถ้าเราผิดศีนปักหนึ่งมันร้อนใจ เพราะรฉะนั้นพุทา้าจึงทง อ, งอมญญามาบรรจัเป็นข้อสินกิริยากายกิรยววิยาวาจามากมายอย่างอืนแต่ว่ากายกรรมพุทธเจ้ญญต้องทรงอามาบรรจัดต่างคขาสารักษะพระพุทธดินกักรรมดีอสรามีอะไรก า, ายกรรมถ้าเราละไม่ได้เป็นกายทุติยดิพระพุทธชั่ว เอาไปฆ่าสาัตว์นะนั่นนะความเบียดเบียนก็คืออันนั้นนะเอาไปลักทรัพย์นั่นะ น, นะคือความเบียดเบียนอยู่อันนั้นไปผิดเพว่าผิดเมียเขานั่นนะเบียดเบียนจิตใจของตัวเองเบียดเบียนจิตใจของคนอื่นะนะเราไปจี้จุดเดียวเนี่ยมันกระเทือนไปหมดเหมือนไปจี้ตรงกลางร่างใหญ่แมงมุมมันกระเทือนไปหมดลองที่นี่คือดีคือเบียดเบียนพูดไม่ซื่อไม่ตรงเนี๋ยก็คือเบียดเบียน กินเหล้าคือเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเองนะดูีิเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนผิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเน่ยเบียดเบียนเราตรงศีลนี่สัมมากรรมันตักการงานชอบการงานอย่างอื่นมันดูแล้วมันมีอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับารผิดศีลผิดธรรมแล้วเราก็ทํางานอยู่สบายไม่คดไม่โกงไม่เบี่ยงแน่มัอเกี่ยวกับเรื่องเทธิชักเข้าชักออก มันก็ลักษณะอธินาเงี้ยนั่นดูซิมันตรงไหมมันไม่ตรงมันไม่ตรงไปไม่ตรงมามีความสุขไหมไม่มีความสุขแหละตัวเองรู้รู้อยู่แก่ใจว่าเรามีความนึกคิดที่ไม่ซื่อไม่ตรงหลือจะให้ใครมารู้กั บ, กบเราจะให้ใครมาทุกกับเรามันไม่มีสมาชีวิวก็คือเลี้ยงชีวิตชอบกิริยาที่เราทํางานทําการด้วยความซื่อสัตย์จริง เอามาเลี้ยงชีวิตคือเลี้ยงชีวิตชอบแต่ทรัพย์ที่เราทํามาเกินนั้นถ้าได้มาในทางที่ไม่ชอบท่านบอกเลี้ยงชีวิตไม่ชอบเอาสิ่งที่ไม่ชอบไว้สินด้วยทํามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงตัวเราอําเลี้ยงลูกอําเลี้ยงเพื่อนฝูงอําเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเหรียญของเรากลายเป็นว่าเอาผลิผลจากที่มันไม่ตรงไม่สุดจริตเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเหรีของเรา เ ป, เป็นมิจฉามิจฉาชีวะเป็นการเลี้ยงชีวิตผิดความทุกข์ตรงไหนมันก็นตามมาเพราะเราเดินไม่ถูกเราทําไม่ถูกในเรื่องของศีลเราทิ้งไม่ได้มันละเอียดนะเรื่องศีลเนี่ยที่จริงเราทําโดยที่เราไม่ลืมศีลเราก็ต้องไม่ลืมทำการที่เราไม่ลืมทำมันจะล่อมเข้ามาอมแปรมาถึงศีล เราต้องมีหลักอยู่ข้างในหลักข้างในก็คือหลักที่เราทําอบรมสมาธิมานี่แหละมันเป็นการปลูกจิตของตัวเองให้ให้ใ ห, ให้ให้รู้ให้เข้าใจตลอดบทเวลาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันเกิดความรู้ตัวที่เขรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรกําลังทําผิดกําลังทําถูกหรือกําลังจะทําผิดอืม กำลังจะกดจะโปกกำลังจะทุดจริตกำลังจะผิดสินข้อนั้นกำลังจะผิดสินข้อนี้มีสัมผััญญะกรรกับรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดอันนี้คือหลักคือแก่นข้างในที่มีอยู่ในหัวใจถ้ามีสิ่งเหล่านี้จำกับแล้วเราจะไม่ลืมตัวง่ายๆเราจะไม่ผิดสินง่ายๆชีวิตเราจะมีความสุขมีความเจริญไม่มีเวรไม่มีภัย เพราะฉะนั้นห้าข้อเราทิ้งไม่ได้นะเป็นหลักนะตามหลักในกุศลกรรมบวชสิบเราไปดูซิกายกรรมสามไปดูทีวัจจีกรรมสีมโนกรรมสามนี่เรียกว่ากรรมบวชสิบกรรมบทคือทางเดินของพฏิกรรมของกายของวาจาของวิจัยของเราทั้งสิบอย่างเขาเรียกว่ากรรมบวชศีลในกรรมบทเราประพฤติปฏิบัติตรงแนวไปตามนั้น ไม่มีเว้นไม่มีภัยหรอกที่จะเกิดขึ้นใหม่ไม่มีนอกจากของเก่าที่มันเคยทำมาแล้วแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แล้วมันตามมาเล่นงานเราของใหม่ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่มีไอเว้นกายกรรมสามให้ประกอบกายสุดจริตไวจีสุดจริตมโนสุดจริตเว้นกายทุจริตไวจีทุดจริตมโนทุดจริต อย่างสามมาแยกออกเป็น hmm. สุดจริตกับทุจริตสุดจริตแปลว่าดีประพฤติดีทุจริตแปลว่าประพฤติชั่วทุกแปลว่าชั่วสุดจริตประพฤติดีทุจริตประพฤติชั่วฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่คือกายะทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดเท็จพูดอยาพูดเสื่อเสียพูดไวเจอไม่ดื่มสุราเมรัย นี่เป็นทางกายะสุดจริตวัจยยีสุดจริตคือกรรมรสะอาดกายกรรมรสะอาดวัจยยีกรรมรสะอาดอันนี้เป็นทางเดินกรรมบทกรรมบทบอใบไม้ถอถงุงนี่เขเรียกว่าทางเดินทางเดินของกรรมทางเดินของกายกายกรรมพุทธเจ้าท่านฉลาดไหมพุทธเจ้าท่านฉลาด ท่านเอาทางเหล่านี้มากำกับให้เราถือประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นทางดําเนินเป็นทางเดินกรรมบดกรรมบทคือหนทางประกอบกรรมที่ทําให้เราได้รับความทุกข์ที่ทําให้เราได้รับความสุขเราก็ไม่ แ, แย่กว่ากายสุจริตเนี่ยมันไม่มีทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยตามมาทุกจริตมีเวรมีภยัยมีทุกข์ตามมาเราเว้นสิ่งเหล่านี้แล้วเรามีความสุขอแต่เรื่องการทำอาหากินนันมันได้มาบ้าง ไม่ได้มาบ้างเสียไปบ้างไม่เสียไปบ้างมันย่อมมีทั้งได้มามันย่อมมีทั้งเสียไปมันมีจะได้มาอย่างเดียวไม่มีเสียไปมันก็ผิดผิดกฎเกณฑ์ในการให้ให้ผลของกรรมเนี่ยเพราะยังมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านยิงเรียกว่าโลกกระมโลกกระท ม, มันไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องของโลกกระมได้มาท่านให้ทราบว่าได้มาไม่เสียไม่ดีใจ เสียไปไม่ให้ไม่ให้มันดีใจได้มาท่านก็ไม่ให้มันดีใจแต่เราก็อดดีใจไม่ได้แต่ก็ให้พึงระวังเอาไว้ว่าอา้าวในเมื่อเราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสียไปออเวันนี้เรามีคนรักสักหน่อยหนึ่งนาทีชั่วโมงต่อไปมันก็จะมีคนฉันเพราะสิ่งเหล่านี้มันมาคู่กันนิมทาสารเสริญตอนนี้เราได้ได้รับการยกย่องนะ ชื่อเสียงกลิ่นฟุ้งกลิจรหอมหวนอยู่ในกลุ่มเรานอกออกไปนอกกลุ่มในขณะโอกาสต่อๆไปอา้าวมีคนนินทามาแล้วเฮ้ยอย่าบอามันดีเลยคนนั้นนะ่ะเป็นงั้นเป็นบางที่คนดีๆที่เขารู้นะ่ะเขาแกล้งพูดใส่เราเ้วเอาเอะไรมาตัดสินน่ะเอาพฤติกรรมของเรามาตัดสินอันไหนที่เราทาดีทาถูกตามที่เขาพูดเราก็ยอมรับ พวกเขาเขาชมเชยเนี่ยเขาชมเชยยงั้นอเออใช่เราก็ทำอย่างนั้นจริงอยู่เรามีความซื่อตรงตรงไปตรงมาในหัวใจขอเราจริงอยู่ถ้าเราถ้าแค่นี้เราไม่รู้จักเราก็โดดเรดเต้นไปตามคำพูดเขาเหมือนเหมือนกับเข้าเป่าให้ลมเข้าลูกโปงลูกโปงลอยลอยลลอเพราะเวลาไปดึงลมออกก็แฟบลง เขาเรียกว่าหลงหลงไปตามลมปากของเขาบาที่เราทําอยู่อย่างหนึ่งแท้ๆเขาไปว่าอีอย่างหนึ่งเขาเขาว่าเราทําดีเต็มร้อยซแต่เขาไปพูดเป็นไม่ดีว่าเราทําเสียร้อยเอร์ซเราก็พลอยเสียใจไปกับเขาเนี่ยเอาอะไรมาตัดสินเอาพฤติกรรมของเราเนี่ยมาตัดสินเอา้าเราไม่ได้ทําเราทำํำนี้ แล้วก็ยุติแค่นั้นสงบแค่นั้นระงับแค่นั้นไม่ต้องไปนึกคิดตามคำพูดทุกคนมันไม่ยุติยุติที่ข้อเท็จจริงที่ตัวของเราเพราะฉะนั้นพูดที่ท่านเข้าถึงทมท่านถึ ง, ถงเหมือนกับหลักศีลาแท่งทึบ ป, ปักนึบลงไปถึงแ ม, ม้จะมีลมพายุมาสัน่นมาโยกมาคลอนเท่าไหร่มันก็ไม่โยกไม่คลอน เพราะสิ่งที่เป็นหลักฝังนึกลงไปในนั้นคือสัจจะความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าความจริงอันนี้ถ้าเราน้อมมาเพื่อเห็นพฤติกรรมของเราเองเราไม่ต้องไปเดือดร้อนตามเขามีลาภไม่มีลาภได้มาแล้วก็เสียไปมันเป็นเรื่องธรรมดามียศแล้วก็เสื่อมยศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานินทาสรรเสริญมันเป็นเรื่องธรรมดามีสุขแล้วก็มีทุกข์มนันเรื่องธรรมดาคราวนี้สุขโอ้ยเดี๋ยวมันก็ทุกข์ คราวนี้มีความทุกข์เฮ้ยเตียมกุญแจไปเรียกความสุขก็มามันก็สลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ทําไมมันจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเพราะในใจของเรามันไม่คงที่มันนึกดีบ้างนึกชั่วบ้างพฤติกรรมของเราคือทําดีบ้างทําชั่วบ้างทําผิดบ้างทําถูกบ้างความสุขที่มันจะพึงได้มาก็คือสุขบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างทุกขบ้างสุขบ้างสุขสุขดิบ สุขสุขลิบลิบก็เอาเอามดกวยนะครับก็ยังไงก็เราจอทำบัตเพื่อจะไ